วันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศที่ชุมช่ำได้เย็นสบายของวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษา คำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้เป็นปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ mm hmm. เป็นสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนการจะปฏิบัต ดีปฏิบัติชอบได้จำเป็นต้องศึกษาทำชนิด ต, ต่างๆว่าวิธีที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติอย่างไรและมีทากี่ชนิดด้วยกันที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้แล้วก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกไป ก็จะไม่ได้ผลที่ควรที่จะได้ปฏิบัติแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งความท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะปฏิบัติมากี่ปีกี่ชาติมันก็เหมือนเดิมไม่ได้ก้าวไปไหนเลยก็เพราะว่ามันปฏิบัติไม่ถูกดังนั้นการฟังธรรมนี้เป็น กิจวัตรที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ชาวพุทธเราเหมันฟังธทรรมกันอยู่เรื่อยๆในมงคลสูตรก็แสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมังกลโมตตมังกาเลนะธรรมสากตาฉะเอตัมังกลโมตตะมัง การฟังรมตามการเวลาการสนทนาธรรมตามการเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเออจะได้เรียนรู้ธรรมะที่เราไม่รู้มาก่อนว่ามีอะไรบ้างถ้ารู้แล้วถ้าปฏิบัติไม่ถูกจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป การฟังธรรมจึงเป็นกุญแจดอกแรกของการเข้าสู่มรรคผลนิพพานผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นฆราวาดไม่ว่าจะเป็นนักปวย mm hmm. จำเป็นต้องมีการศึกษาธรรมก่อน mm hmm. เมื่อได้ศึกษาแล้ว ถึงนำเอาไปปฏิบัติต่อไปได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องผลก็จะปรากฏตามมาผลเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุคือการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้เหตุจะไม่ได้ผลที่ต้องการ เหมือนเคยเล่านิทานเรื่องฝรั่งชอบกินข้าวผัดก็อยากจะไปทำข้าวผัดกินเองบ้างก็รู้ว่าต้องมีข้าวมีเนื้อมีผักมีอะไรก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปทำแต่ไม่รู้ขั้นตอนของวิธีทำที่ถูกต้องว่าทำยังไงที่อะไรผัดข้าวสารไปเลยแทนที่จะ กานที่หุงข้าวให้ได้ข้าวสุกก่อนแล้วก็มาผัดเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เนี่ยก็เห็นว่ามีข้าวะเออก็ใส่ข้าวไปในกระทะใส่น้ํามันเข้าไปใส่เนื้อใส่ผักแล้วก็ผัดมันเข้าไปผัดยังไงมันก็ไม่ได้เป็นข้าวผัดเหมือนกับที่ได้ไปซื้อมาจากที่ร้านเนพราการกระทํามันไม่ถูกต้องผลมันก็แล้วไม่เกิดนถ้าไปถาม กุ๊กซะหน่อยว่าก้ผัดข้าวกันผัดอย่างไรขั้นตอนทำอย่างไรจะได้รู้ว่าต้องเอาข้าวสารนี้ไปหุงก่อนให้มันเป็นข้าวสุกก่อนแล้วถึงค่อยมาผัดต่อไปถึงจะได้ผลถึงจะได้ข้าวผัดที่น่ารับประทานอันนี้ก็เหมือนการทำของพระพุทธเจ้านี้ก็มีขั้นมีตอนของเขาที่เราจะต้องรู้ขั้นตอน ไม่ใช่นึกอยากจะทำขั้นไหนก็ทำเลย mm. ทุกคนใจร้อนอยากได้บุญเยอะๆถามทำบุญชนิดไหนได้เยอะ mm. บอกว่าวิปัสสนาโอเอาเลยทีนี้ไปเล่นวิปัสสนาเลย ท, ทั้งทั้งที่ mm. ไม่มีกำลังที่จะไปศึกที่จะไปใช้วิปัสสนาได้ mm. เพราะวิปัสสนานี่มันเป็นธรรมขั้นสูงสุด แล้จะขึ้นไปสูงสุดได้ก็ต้องขึ้นขั้นบันไดไปตามขั้นของมันเหมือนเด็กเข้าอนุบาลก็อยากทํายังไงจะได้จบปริญญาเอกเร็วๆไปสมัครเข้ามาหาหลัยเลยได้เปล่าไปเรียนวิชาปริญญาเอกเลยได้หรือเปล่า mm hmm. เขาก็ไม่รับหรอกเพราะเขาว่าจะต้องผ่านขั้นก่อนเรียนอนุบาลก่อนแล้วก็ไปเรียนชั้นปฐมน จบชั้นปถมก็ไปขึ้นชั้นมัธยมอยากมัธยมก็ไปขั้นปริญญาตรีปริญญาโทแล้วถึงจะไปปริญญาเอกการปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันมีเป็นขั้นๆ ข, ขั้นบุญน้อยไปสู่ขั้นบุญมากทำไมถึงต้องทำขั้นบุญน้อยก่อนเพราะมันง่ายกว่าขั้นบุญมากนั่นเอง บุยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งยากไม่ใช่ว่ามันจะทําได้ต้องเพิ่มกําลังขึ้นไปเหมือนนักวิ่งมาราธอนนี้เขาไม่ใช่จู่ๆก็จะไปสมัครวิ่งมาราธอนเลยเขาก็ต้องหัดวิ่งก่อนเอาวันละกิโลก่อนแล้วก็หัดเพิ่มเป็นสองกิโลสามกิโลเพิ่มกําลังให้มีมากขึ้นไปตามลําดับน พยายามฝึกไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองมาราธอนสี่สิบกว่ากิโล <c oughs> <c oughs> แต่พอวันเริ่มแรกจะวิ่งกับเขาก็ไปสมัครวิ่งมาราธอนเลย oh. วิ่งไปได้ไม่ถึงครึ่งกิโลก็หอบแล้ว <c oughs> <c oughs> ลกำลังไม่มีงนั้น <Okay. S 1> ผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้ <Okay. S 1> ต้องตรวจสอบกำลังของตนก่อนว่า มีหรือไม่มีไม่มีก็ต้องเลื่อนระดับลงมาในขั้นที่ง่ายกว่าถ้าไม่อยากจะเสียเวลาก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือเอาจากขั้นต่ำสุดไปก่อนถ้าเราผ่านขั้นต่ำด้านไม่ยากเราก็เลื่อนขึ้นไปขั้นที่สูงกว่าขึ้นไปตามลาดับได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานสู่ขั้นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอาราหันต์ก็ต้องมีการปฏิบัติ เริ่มจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามตามลำดับไปขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติก็คือขั้นทานขั้นทานเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนทำทานได้หรือยังถึอค่อยไปทาไปขั้นที่สองคือขั้นรักษาศีลจากขั้นที่สอง ก็ไปขั้นที่สามคือขั้นสมาธิจากขั้นสมาธิก็ถึงไปขั้นปัญญาขั้นวิปัสนาต่อไปแล้วถึงจะได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปตามลำดับและในในธรรมแต่ละขั้นก็มีหลายแบบด้วยกันเช่นขั้นที่หนึ่งการวัดการทำทาน เราต้องเข้าใจคาว่าทานก่อนว่าแปลว่าอะไรทานแปลว่าการให้การให้สิ่งที่เรามีแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นให้ไม่ใช่ให้แล้วให้เกิดโทษกับผู้อื่นถ้าให้แล้วเกิดโทษนี่เรียวกว่าบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่ทานให้ความเจ็บช้ำน้ำใจให้การเจ็บร่างกาย การทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการให้ทานที่เป็นบุญ<ม>การให้ทานที่เป็นบุญนี้ต้องให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นให้ในสิ่งที่เขายินดีเขาอยากได้ได้แล้วเขามีความสุขจากการให้ของเรา<ม>ทานนี้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันไม่จำเป็นว่าจะต้องให้เงินทองข้าวของอย่างเดียว พอบางคนก็อาจจะไม่ร่ำรวยไม่มีฐานะที่จะให้เข้าของเงินทองได้ก็ให้สิ่งที่อื่นที่มีได้ทานจึงมีแบ่งไว้อยู่ถึงสี่ห้าชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งเรียกว่าวัตถุทานวัตถุคือข้าวของต่างๆที่เป็นวัตถุเงินทองอย่างเนี้เงินทองนี้สามารถเอาไปแปลงเป็นวัตถุได้ เอาไปซื้อวัดสดุก่อสร้างสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรได้จะจะให้วัดสดุก่อสร้างก็ได้ถ้าวัดไหนก็มีการก่อสร้างบังว่าเ้าก็บอกขอกรเบื้องเอาก็ถวายกับเบื้องไปถ้าไม่สะดวกไปซื้อกับเบื้องก็ให้เงินไปให้เขาไปซื้อกันเองก็ได้อันนี้เรียกว่าวัตถุทาน แล้วสถานที่จะทําทานนี้ก็มีหลากหลายสถานที่ด้วยกันไม่จําเป็นที่จะต้องทํากับที่วัดอย่างเดียวการให้นี้ให้วัตถุให้ข้าวของเงินทองนี้ให้กับได้กับทุกท่านที่เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นท่านก็สอนว่าให้กับคนที่บ้านก่อนอเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายบุคคลที่มีพระคุณกับเรา ถ้าท่านขาดแคลนท่านเดือดร้อนเราต้องดูแลท่านก่อนไม่ใช่ออกไปทำบุญนอกวัดไปสร้างวัด ส, ดสวยปล่อยให้บิดามารดาอยู่แบบขอทานอดๆ อ, อยากๆ อ, อย่างนี้ก็ทำผิดขั้นตอนควรจะดูคนที่ใกล้ชิดเราก่อนคนที่มีพระคุณโดยเฉพาะคนที่มีพระคุณเราถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ เป็นความกตัญญูกตเวทีเป็นสัญลักษณ์ของคนดีคนมีความกตัญญู ก, กตาวทีนี่เหมือนกับได้รับรับรองจากสินค้าที่ได้รับรองจากองค์กรอุตสาหกรรมว่าสินค้านี้ดีใช้ได้มีคุณภาพสูงความกตัญญูก็เป็นเหมือนกับการรับรองของ ของศาสนาของพุทธพุทธรรมพระ ส, สงฆ์ว่าการที่เราจะดูคนดีดูอย่างไรเนี่ยดูว่าเขามีความกตัญญูกตเวทีหรือเปล่าเขาเลียงดูบิดามารดาผู้ย่าตายายครูบาจารย์ของเขาดีหรือเปล่าหรือเขาปล่อยปะละเลยบวไปเลี้ยงดูแลแฟนดูแลออืคนนั้นคนนี้ แต่ไม่ดูแลบิดามารดาปุยยาตายายครูบาอาจารย์นี่คือการทําบุญทําทานนี้ทําได้หลากหลายกับบุคคลหลากหลายด้วยกันถ้าไม่ฟังธรรมเราอาจจะคิดว่าทําได้กับวัดอย่างเดียวบางคนบอกว่าทํากับวัดถึงได้บุญทํากับคนอื่นเป็นทานไม่ได้บุญอันนี้ ได้บุญทั้งสองที่ทำกับวัดก็ได้บุญทำทำกับผู้อื่นก็ได้บุญเพราะบุญเป็นผลที่เกิดจากการทำทานการทำทานแปลว่าการให้ให้ใครก็ได้ให้บิดามารดาให้ปู่ย่าตายายให้ความสุขให้ประโยชน์ให้กับวัดกับครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์องค์เจ้า ให้กับครูที่เคยเป็นอาจารย์สอนเราศึกษาที่สถาบันการศึกษาที่เราเคยเรียนประสาสวิชาความรู้ให้กับเราทําให้เรามีปริญญามีความรู้ที่จะไปสมัครงานได้มีรายได้มีรายได้แล้วก็ควรที่จะตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่าน กุศลสั่งสอนเราให้ความรู้กับเราดัง mm hmm. ั้นการทําบุญทำทานนี้ทําได้ทุกกับทุกบุคคลที่ขาดแคลนที่ตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อน mm hmm. หรือถึงแม้ว่าจะเขาไม่ขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากก็ทําได้เหมือนกัน mm hmm. ในกรณีที่เราอยากจ ะ, mm hmm. สะแสดงน้ําใจ mm hmm. อยากจะมีความสุข เป็นวันเกิดของคนที่เขารวยกับเราเราก็ยังไปซื้อของขวัญให้เขาได้เพราะเราก็อยากจะให้เขามีความสุขจากของเล็กๆน้อยๆของเราบางทีเขาก็ไม่ได้มองที่ข้าวของหรอกเขามองที่น้ำใจว่าเออเขามีน้ำใจนะแม้เขาจะยากจนแต่เขาก็ยังมีน้ำใจที่จะซื้อข้าวซื้อของมาให้เราเก็ทาให้เขาทีนี้ รักเราได้ชอบเราเนี่ทําให้เรามีความสุขนมีคนรักเรานี้กับมีคนเกลียดเรานี่อย่างไหนดีกว่ากันมีคนรักเรานี้ดีกว่าเห็นเขาแล้วเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาพูดดีกับเราเนี่ยกับเจอคนที่เขาไม่ชอบเราพูดไม่ดีกับเรานี่อย่างไหนดีกว่ากันการทําทานนี้ ทำได้หลายสาเหตุด้วยกันทำด้วยการตอบแทนพระคุณ<ม>ความกตัญญูกตวเวทีทำเพื่อชนะใจของผู้อื่น<ม><ม>คนที่ก็ไม่ชอบเราลองให้ของเขาบ่อยๆสิเดี๋ยว ก, ก็ชอบเราเองยิ่งถ้าไปรู้ว่าเ้าชอบอะไรซื้อให้เขาหาให้เขาเดี๋ยวเขาก็ชอบเราเองเป็นการชนะใจ มีเพื่อนดีกับมีศัตรูนะเอมีเพื่อนแล้วเวลาเราทุกข์ยากเดือดร้อนเขาอาจจะมาเหลียวและเขาอาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่เราก็ไม่ได้หวังหรอกเราหวังเพียงแต่ว่าให้เราได้ทําทานเพราะทานนี้มันเป็นมีผลในตัวของมันเอเวลาเราทําทานไม่ว่าจะทํากับใครเนะ่ ถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้หวังผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากบุคคลที่เราทำทานด้วยนะเพียงแต่ต้องการจะให้เขามีความสุขหรือให้เขาได้รับประโยชน์จากการทำทานของเรานะมันก็จะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจขึ้นมานะดีกว่าไปเสียเงินเสียทองไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ ไปซื้อของฟุ่มเฟืยต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อที่ไม่จำเป็นจะต้องมีความสุขที่ได้มาต่างกันความสุขที่ได้จากการให้ความสุขกับผู้อื่นให้ประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมันทำให้เรารู้สึกภูมิใจมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจและทุกครั้งที่เราคิดถึงการกระทาเหล่านี้ถึงแม้จะผ่านมานานแล้ว คิดทีไรมันก็ทำให้เรามีความสุขใจไม่เหมือนกับการได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขที่แห้งความสุขที่หิวพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันก็อยากจะซื้อใหม่แล้วของเก่าไปดูไงก็ไม่มีความสุขเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆต้องไปซื้อใหม่หมาอีกเป็นความสุขที่ทาให้หิวให้อยากเพิ่มขึ้น แต่ความสุขที่เกิดจากการทำทานนี่มันเป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจทำให้เรานี่อยู่เฉยๆได้ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปช้อปปิ้งก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความอิ่มใจสุขใจจากการทำบุญทำทานของเราอ่า น, น, น, นี่คือการทำบุญมีหลายเหตุด้วยกัน ทำเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเรียกว่าความกตัญญูกตวเวทีทำเพื่อชนะชนะใจผู้อื่นหรือทําทด้วยความเมตตาสุขีอัตานังปะลิหะรันตุคือขอให้ศัตว์ทั้งหลายมีความสุขจะทําทให้เขามีความสุขเราก็ต้องมีอะไรให้เขาหรือทําอะไรให้เขาพอให้เขาแล้วเขาก็เกิดความสุขขึ้นมา แล้วสิ่งที่เราจะให้นี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันข้าวของเงินทองนี่ก็อย่างหนึ่งถ้าให้ข้าวของเงินทองอเครื่องใช้ไม้ส้อยอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เรียกว่าเป็นวัตถุทานแต่ถ้าเราไม่มีฐาน ะ, ะไม่ร่ำไม่รวยไม่มีเงินทองที่จะซื้อข้าวซื้อของให้คนนั้นคนนี้ได้ อยากจะทำบุญก็มีอย่างอื่นที่เราให้ได้ลองดูว่าเรามีอะไรให้ได้ถ้าเรามีวิชาความรู้ท้าเราเรียนจบปริญญามารู้วิชาภาษาอังกฤษรู้วิชาคณิตศาสตร์ถ้าเราอยากจะทำบุญด้วยวิชาก็ได้อสอนกวดวิชาให้กับเด็กที่จะเข้ามาหาลัยให้เขาได้มีความรู้ เพิ่มเติมเพื่อเวลาที่เขาไปสมัครสอบเอ็นทนเขาจะได้สอบได้อันนี้เราก็เรียกว่าวิทยาทานให้วิชาความรู้แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาความรู้ที่เรียนมาจากมหาลัยวิชาความรู้อย่างอื่นก็ให้ได้เป็นแม่ครัวนี่ก็ให้ได้สอนฝรั่งให้ผัดข้าวให้เป็นก็ได้อันนี้ก็เป็นวิชาความรู้ เป็นคนที่เย็บปักถักร้อยได้ตัดเสื้อผ้าได้เช่งช่วงนี้ต้องการหน้ากากกันก็มาสอนวิธีเย็บหน้ากากกันทำหน้ากากกันสอนให้คนที่เ็าไม่รู้เขารู้เขาอยู่ว่างๆเขาก็จะได้ไปทาหน้ากากแจกกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานทำแล้วก็เหมือนมีความสุขเหมือนกับ ไปซื้อหน้ากากไปแจกให้คนอื่นเพราะว่ามันมันผลมันเหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจนี่เหมือนกันเกิดจากการให้เกิดจากการเสียสละของเรา <Yeah. S 1> อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราไม่มีวิชาความรู้แต่เรามีเวลาว่าง <Yeah. S 1> มีมีเวล า, าว่างมีร่างกายที่แข็งแรง <Yeah. S 1> ก็ไปเป็นอาสาสมัครได้ <Yeah. S 1> ไปช่วยงานต่างๆ ไปช่วยมูลนิธิต่างๆจิตอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงร่วมกันอยู่หรือไปช่วยงานวัดเวลาที่วัดมีงานหรือที่โรงเรียนมีงานที่ไหนมีงานที่เ้าต้องการคนไปช่วยเหลือหรือเวลาไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเราไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของไปช่วยเขาแต่เราไปช่วยขนข้าวขนของไปแจกกัน พราะนอกจากซื้อของแล้วก็ยังต้องขนของไปให้คนที่เขาเดือดร้อนเสียหายก็อาจจะไปช่วยในส่วนนี้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้กําลังกายให้ใหเวลาเรียกว่าเป็นการรับใช้สังคมเป็นจิตอาสาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทานอย่างหนึ่งเป็นการให้อีกอย่างหนึ่งการให้อีกอย่างหนึ่งก็คือ การให้อภัยเวลาใครเขาทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจถ้าเราให้อภัยเขาได้ความโกรธความเสียใจจะหายไปใจที่ทุกข์ใจที่ร้อนก็จะสงบตัวลงแล้วทำให้เราจะได้ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่เรามาเสียใจในภายหลังเพราะเวลาที่เราโกรธ เวลาใครทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธเราอาจจะไปตอบโต้เขาไปพูดไปทำร้ายเขาได้แล้วก็จะเป็นคดีกันขึ้นมาอาจจะต้องถูกเขาจับไปลงโทษติดคุกติดตารางแต่พอเราให้อภัยเขาได้ถือว่าเหมือนลินกับฟันพอเราอยู่ในโลกนี้เหมือนลินกับฟันอยู่ด้วยกันบางครั้งเผลอก็ ฟันก็ขบลิ้นได้มีใครไม่เคยขบลิ้นของตนเองว่านมันอยู่ด้วยกันบางทีเผลอก็ไปไปกัดลิ้นของตนเองได้แล้วไปโกดลิ้นไปตัดลิ้นทิ้งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องให้อภัยว่าขออภัยด้วยนะลิ้นคราน่าจะมีสติมากขึ้นจะระมัดระวังมากขึ้น ใครก็มาทำให้เราเสียหายเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นแล้วจะไปเสียสองเดงทำไมได้รับความเสียหายทางนั่งกายหรือทางข้าวของแล้วยังไปเสียใจทำไมไปทุกข์ใจทำไมเสียสองเด้งเขาเรียกว่าเสียเด้งเดียวก็พอเสียข้าวเสียของไปแต่อย่าไปเสียใจเสียใจนี่ร้ายแรงกว่าเสียข้าวเสียของ การเสียใจนี่มันเหมือนมีอะไรเอามีดมาบาดใจเราการเสียข้าวเสียของถ้าเราไม่เสียใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยแล้จะได้ไม่มีปัญหาตามมาถ้าเราให้อาภาัยได้ก็จะไม่มีการไปร่างแค้นกันฟันต่อฟัน อ, อ, อันนี้จะทำให้เราแล้วก็จะอยู่เป็นมิตรกันได้ต่อไป การเป็นมิตรหรือการไม่เป็นศัตรูนี่มันดีกว่าการเป็นศัตรูกันเวลามีศัตรูนี่เราจะต้องคอยแหวนหวาดระแวงอยู่เลยว่าเขาจะมาทาร้ายเราเมื่อไหร่เพราะเราไปทาร้ายเขาแล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะเริ่มก่อนก็ตามพอเขาเริ่มแล้วเราไปทําร้ายเขากลับเขาก็จะกลับมาทาร้ายเราอีกได้แต่ถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขาถือว่ามันผ่านไปแล้ว เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเหมือนถ้าเป็นแก้วมันแตกแล้วจะไปทำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็ไม่ได้ก็เก็บเศษแก้วทิ้งถังขยะไปก็แล้วกันก็กวาดความแค้นที่เกิดจากการกระทาของเขาลงถังขยะของใจไปคืออย่าไปคิดถึงเหมือนอย่าไปคิดถึงเหมือนช่วงที่มันร้อนมันแค้นก็ใช้พุทโธพุทโธช่วยระ ง, งับก็ได้ ฟังพุโทโธพุธโทโธไปสวนอินทิปิโสไป <Yeah. S 2> เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ลืมเรื่องที่เขาทำให้เราโกรธแค้นขึ้นมา <Yeah. S 2> แล้วใจของเราก็จะเย็ยนจะสบาย <Yeah. S 2> แล้วความคิดที่จะไปทำร้ายเขาก็หมดไป <Yeah. S 2> ภัยที่จะเกิดจากการไปทำร้ายเขาก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา yeah. Yeah. แล้วเขาก็อาจจะไม่โกรธเรา และอาจจะรักษาความเป็นมิตรภาพกันต่อไปได้ในช่วงที่โกรธกันก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยพอเวลาผ่านไปไม่นานก็ลืมนะว่าโกรธกันเรื่องอะไรเคยโกรธกันอย่างไรก็เหมือนกับ ล, ล, ล, ลิ้นกับฟันที่มันขบกันพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ลืมว่าอ๋อเมื่อกี้เจ็บปวดจากการที่ฟันไปกัดลิ้นเข้า อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องอยู่ร่วมกันอยู่ในโลกร่วมกันอยู่ด้วยสันติสุขดีกว่าอยู่ด้วยความเมตตาให้อภัยกัน <Yeah. S 1> การให้อภัยนี้เรียกว่าเป็นการเจริญด้วยการแผ่เมตตา้อ <Yeah. S 1> งแผ่ตอนที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งสวดมนต์ทวัดช้าวันเย็นสวดแล้วก็สวดบทแผ่เมตตา สัพเพสัตตาเวลาหหนตุบบางคนคิดว่าโอ๊ยกำลังแผลเมตตากำลังให้อภัยให้ไภัยภายในใจทั้งหนึ่งแต่พอไปเจอคู่กรณีขึ้นมาก็เห่าขึ้นมาทันที <laughs> ต้องแผลตอนที่เจอคู่กรณีกันเวลาเจอคู่กรณีก็ยิ้มให้กับเขาไม่ใช่แยกเขี้ยวใส่กัน น, นเรียกว่าแผ่เมตตาให้อาภัยไม่ถือโทษกอดเคืองกัน mm hmm. แล้วก็อย่าไปหวังว่าเขาจะต้องอ mm hmm. เห็นดี mm hmm. เห็นงามกับเราด้วย mm hmm. เขาอาจจะไม่ยอมรับการแผ่เมตตาของเราก็ได้ mm hmm. เขาอยัางโกรธเราอยู่อันนั้นก็เรื่องของเขา mm hmm. คนที่โกรธน่ะเป็นคนทุกข์ mm hmm. คนที่ไม่โกรธนี่เป็นคนไม่ทุกข์ mm hmm. การแผ่เมตตาจริงๆนี้เพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อตัวเขา เพื่อตัวเราจะได้ไม่ทุกข์ความโกรธนี่มันเป็นเหมือนไฟเผาใจของเราแล้วถ้าเราไปทาร้ายเขามันยิ่งเพิ่มไฟให้ลุกขึ้นมากกว่าเดิมอีกกลายเป็นไฟนรกไปต่อไปอนั้นการแผ่เมตตาด้วยการให้อาภัยนี้เป็นการทําประโยชน์ให้กับเรามากกว่าทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น ผู้อนเขาจะยินดีหรือไม่กับการให้อภัยของเรานี้ก็เรื่องของเขาเขาไม่ยินดีเขายังโกรธเราอยู่ยังเกลียดเราอยู่เราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาเราทําเพื่อนังับความโกรธความทุกข์ใจของเราทําให้ใจของเรามีความสุขนี่ก็เป็นวิธีทําให้ทานอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอภัยทานน พยทานก็มีหลายแบบอย่างที่เราคงจะเคยได้เห็นเวลาเราเข้ามาวัดเขาจะมีป้ายเขียนว่าเขตอภัยทานิในที่นี้ก็หมายเขาว่าอย่าไปทําร้ายชีวิตของสัตว์เป็นที่ปลอดภัยของสัตว์เป็นที่สัตว์มาพึ่งพาอาศัยคนก็มาปล่อยนกปล่อยปลาในวัดกันเพราะรู้ว่าเป็นที่ปลอดภัยถ้าไปปล่อยข้างนอกก็เดี๋ยว ก, ก็อาจจะถูก คนที่เขาหาปลาจับไปกินได้อะไรมักจะนิยมไปหาเขตปลอดปลอดภัยสําหรับสัตว์เรียกว่าเขตให้อภยัยทานนั้นการปล่อยชีวิตไถ่ชีวิตของผู้อ่นก็เรียกว่าเป็นการอภยัยทานเหมือนกันให้ชีวิตเวลาเราไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตวัวควายที่จะถูกฆ่า ให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างอิสระภาพอันนี้ก็เป็นการให้แบบหนึ่งเรียกว่าอาภัยทานให้อภัยแล้วชนิดสุดท้ายที่เราอาจจะให้ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเรามีหรือไม่มีคือให้ธรรมทานให้ธรรมะคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าซึ่งมีให้ได้สองรูปแบบด้วยกัน ให้ธรรมะที่ม mm ีอยู่ในใจของเราที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราถ้าเรามีธรรมะแบบนี้เราก vale ็ให mm ้แบบนี้ได้ถ้าเราไม่มีธรรมะแบบนี้เราก็ให like. ้อีกแบบหนึ่งก็ได้คือให้ธรรมะของผู้ของครูบาอาจารย์ที่มีธรรมะดีๆที่พิมพ์เป็นหนังสือหรือเป็นซีดีหรือสมัยนี้ก็มีแผ มีใช้แฟลชไดรฟ์ก็สามารถที่จะเอาซื้อหรือผลิตสื่อเหล่านี้เอามาแจกได้ผลิตหนังสือธรรมะเนี่ยอย่างที่นี่หนังสือที่แจกก็ไม่ไดเอามาขายเอามาแจกเพราะมีผู้มีความศรัทธาที่จะทำทาทานชนิดนี้คือ ท, ทาธรรมทานเพราะ การให้อะไรก็ไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะเพราะธรรมะนี่เป็นของที่มีประโยชน์ที่สูงสุดการให้วัตถุข้าวของเงินทองต่างๆนี้ก็เป็นประโยชน์เฉพาะกับร่างกายทำให้ร่างกายอยู่สุขสบายเช่นปัจจัยสี่ให้อาหารให้เครื่องนุ่หงห่มให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรค ก็ไปเยียวยาร่างกายให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขแต่ก็ยังไม่สามารถไปเยียวยาจิตใจได้จิตใจก็ยังทุกร้อนกับเรื่องราวต่างๆได้อยู่ถ้าให้อภัยทานก็ช่วยเยียวยาเรื่องจิตใจของผู้ให้ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ไปเยียวยาจิตใจของผู้อื่นถ้าต้องการจะเยียวยา จิตใจของผู้อื่นให้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนให้ล่มเย็นเป็นสุขจนถึงทำขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานคือการหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องให้ธรรมะเท่านั้นให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะพาให้ฉันโลกที่ติดอยู่ในโลกนี้ ดูดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าให้หนังสือเขาไปอ่านเขาเข้าใจเขานำมาไปปฏิบัติได้เขาก็สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเขาได้ตัดภพตัดชาติได้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพันธิผ่านได้ อันนี้แหละคือความประเสริฐของธรรมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งนานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ได้ไปสักระยะหนึ่งเช่นธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานท่านก็ทงกรงตัดว่าอยู่ได้ประมาณ 5,000 ันปีด้วยกัน หลังจากห้าพันปีถ้าเรากลับมาเกิดใหม่แล้วอาจจะไม่ได้เจอเพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็ได้เราก็จะต้องรอไปพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์แล้วก็มาตัดสรตวเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราถึงเราถึงจะได้ยินคําสั่งคําสอนอีกครั้งหนึ่งนั้นธรรมะนี้ เป็นของมีค่าแล้วก็เป็นของที่หายากด้วยเป็นเหมือนเพชรนินจินดาที่ไม่ใช่ว่าจะหาได้แบบง่ายๆมายากเมื่อเราได้แล้วเราควรที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จะดีกว่าดีกว่าปล่อยให้ทิ้งทิ้งไปโดยไม่แนะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเสียใจในภายหลังว่า โอกาสของเราที่จะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วแต่แทนที่เราจะชฉวยโอกาสเรากลับปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายตายแล้วก็กลับไปเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จะเส้นสุดได้ก็ต่อเมื่อได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาศึกษาอย่างจริงจังๆอย่างที่พวกเรากำลัง ม, มาศึกษากันในตอนนี้ศึกษาให้รู้ว่าธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนนี้มีอะไรบ้างแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรเลือกได้บางอย่างก็เลือกได้ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกอย่าง เช่นทานห้าชนิดนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกชนิดไปชนิดไหนเรามีเราก็ทำอย่างนั้นไปมีข้าวของเงินทองเราก็ให้ข้าวของเงินทองไป <c oughs> มีเวลาก็ไปเป็นอาสาสมัครรับใช้สังคมไป <c oughs> มีวิชาความรู้ก็ให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นไป <c oughs> เป็นวิทยาทานไป <c oughs> มีธรรมะในมีหนังสือดีด ไปวัดได้หนังสือดีมาพออ่านจบแล้วก็เก็บไว้ก็ไม่ได้อ่านอีกก็ให้คนที่เขาไม่ไม่มีไปก็ได้แต่ควรจะดูคนถ้าเขาไม่สนใจก็อย่าไปให้การจะให้อะไรก็ต้องดูว่าเขาอยากได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากได้ก็เหมือนให้ขยะเขาไปนั่นแหละไปแล้วเขาก็ไม่ได้อ่เอาไปใช้ประโยชน์ดีไม่ดีเขาก็เอาไปทิ้ง การจะให้อะไรเราก็ต้องดูว่าคนรับนี้เขายินดีรับหรือไม่ด้วยนี่คือทำรรขั้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเพื่อที่เราจะได้ก้าวสู่ขึ้นสู่ทำขั้นที่สูงขึ้นไปเหมือนก้าวขึ้นบันไดขึ้นจากขั้นศูนย์ไปสู่ขั้นที่หนึ่งนี่มันง่ายกว่าขึ้นจากขั้นศูนย์ไปสู่ขั้นที่สอง ก็จะขั้นศูนย์ไปสู่ขั้นที่สองนี่มันต้องก้าวเท้ายาวขึ้นต้องใช้กําลังมากขึ้นซึ่งคนเท้าไม่ยาวกําลังน้อยก็อาจจะขึ้นไม่ได้แต่ถ้าก้าวจากขั้นที่หนึ่งไปจากขั้นศูนย์ไปขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วจากขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สองมันก็ง่ายเพราะมันก็เหมือนก้าวจากขั้นที่ศูนย์ไปสู่ขั้นที่หนึ่งนี่ฉะั้นเราจึงต้องทําเป็นขั้นขั้นไป พยายามทำทานเพื่อทำให้ใจเรามีความเมตตาต่อผู้อื่นเพราะว่าถ้ามีความเมตตาแล้วจะทำให้เราทำขั้นที่สองได้ง่ายขั้นที่สองคืออะไรศีลคือการละเว้นจากการทำบาปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนนั่นเองถ้ามีความเมตตาแล้วเวลาจะทำอะไรนี้จะระวังว่า จะไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่ทำเพราะคนที่มีความเมตตานี้ชอบให้คนอื่นเขามีความสุขให้เขาได้รับประโยชน์ไม่ต้องการให้เขาทุกข์ไม่ต้องการให้เขานับความเสียหาย ห, ายหรือเดือดร้อนจากการกระทำของเราเราก็จะรู้ทันทีว่าการฆ่าสัตว์นี้ไม่ดีเพราะไม่มีใครอยากจะถูกฆ่า ไม่มีใครอยากจะตายกัน mm hmm. ก็จะพยายามละเว้นการฆ่าสัตว์ทรัพสมบัติก็จะไม่ไปเอาของผู้โดยที่เขาไม่อนุ ญ, ญาต mm hmm. เรียก ว, ว่าเป็นการลักทรัพย์ mm hmm. เพราะว่าทรัพย์ของใครใครก็หวงหมันทั้งนั้น mm hmm. ใครอยากจะเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์กับตนเอง mm hmm. ถ้าใครมารักทรัพย์ไปก็จะทำให้เขาเสียใจ ทำให้เขาเดือดร้อนได้เพราะบางทีเขาต้องเอาทรัพย์นี้ไปซื้อของจำเป็นซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคหรือเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปส่งเสียให้ลูกไปโรงเรียนอะไรต่างๆพอเราไปรักทรัพย์ของเขาไว้ทำให้เขาเสียหายหเดือดร้อนขึ้นคนที่มีความเมตตาก็จะไม่อยากจะทำเพราะคนที่มีเมตตาอยากจะให้มากกว่าอยากจะไป ทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนอยากจะให้ค ว, ความสุขกับผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีได้รับประโยชน์จากการกรรทาของตน mm hmm. ก็จะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีคือไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นนูอแฟนของผู้อื่นใครก็มีแฟนแล้วก็อย่าไปยุ่งหาคนที่เขาไม่มีแฟนมีเยอะแยะไปคนที่ไม่มีแฟนเขาก็ดีใจถ้าเขาได้เรามาเป็นแฟน แต่ถ้าเราไปเอาแฟนของคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วก็วไปทาให้คนที่มีแฟนก็เสียใจได้ถ้าแฟนเขารู้ว่าแฟนของเขาไปยุ่งกับคนอื่นมันก็จะทำให้เขาเสียใจและอาจจะทำให้เขาโกรธแค้นขึ้นมาอาจจะทำให้มีการทะเลาะเบาแว้งมีการทุบตีกันหรือบางรายถึงกับมีการฆ่าฟันกันก็ได้ ม, มีมีนิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงสมัยที่ท่านยังไม่บวชนท่านก็รักภรรยามากแล้ววันหนึ่งท่านก็ไปพบว่าภรรยาไป ม, มีชู้พ<ม> อ, อรู้ ป, ปั๊บนี่ความแค้นนี่มันมืด เ, เลือดมันขึ้นมาขึ้นมาในศีรษะหน้ามืดตามืดไปหมดคิดจะฆ่าเขาอย่างเดียวคิดฆ่าทั้งสองคนเลย<ม> ท, ทั้งที่เขารักภรรยามากขนาดไหน แต่พอภรรยาไปมีชู้ท่านั้นทําให้เขานี่เสียใจมากจนถึงจะไปคิดฆ่าทั้งสองคนแต่ก็เป็นบุญวาสนาที่ท่านคงจะมีความเมตตาอยู่ก่อนแล้วก็ได้สตินึกขึ้นมาว่าเออถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ไม่มีความเมตตาแล้วเราก็เลวกว่าเขาเ ข, เขายังไม่ได้ฆ่าเราเลยเพียงเขาเพียงแต่ทําให้เราเจ็บช้า น, น้ําใจเท่านี้เอง แต่เราหนี่โหดร้ายกับเขานี่แล้วถ้าเราจะไปฆ่าเขาท่านก็เลยได้สติแล้วก็ได้เห็นโทษของการมีแฟนมีครอบครัวมีภรรยาว mm hmm. นี่แหละอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้ mm hmm. เวลาลัทธันก็เป็นสุขขังนิจจังสุขขังอนัตตาเป็นของเราไป mm hmm. พอเวลามันกลายเป็นอนิจจังมันก็เลยเป็นทุกขังอนัตตาไป mm hmm. ไม่ได้เป็นของเราเสร็จแล้ว mm hmm. เป็นของคนอื่นไปเสร็จแล้ว ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาท่านก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมว่าการใช้ชีวิตอยู่การอกแบบผู้ครองเรือนนี้จะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับเรานี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะเสือ่อมมันก็จะหมดสมรรถภาพมันจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ท่านก็เลยตัดสินใจบวชดีกว่า ได้ประกาศบอกชาวบ้านเลยว่ายกภรรยาให้กับชู้ไปเลยโดยจะขอไปบวชแล้วท่านก็รู้จักได้ยินกิติศัท์ของหลวงปู่มั่นนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นชื่อหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนที่อยู่ดอนทานีอันนี้อ่านมาจากประวัติที่หลวงตาเขียนไว้รู้สึกในปฏิปาาาทาพระธุยรงธรรมฐาน แล้วท่านก็ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มัน่นจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุถึงพระ น, นิพพานตายไปกระดูกท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมีเจดีย์สร้างไว้ที่วัดบรรจุพระธาตุของท่านไว้ก็จากการกรณีที่ภรรยาไปมีชู้แต่ท่านมีความเมตตาท่านมีสติพอที่จะยับยั้งความโกรธแค้นได้เพราะท่านทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆ ยังมีเหมือนกับมีมีเบรกไว้คอยเบรกจิตใจเวลาที่จะไปทําผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาเ mm hmm. นี่ยทำไมเราถึงต้องทําทานก่อน mm hmm. เพราะเมื่อเราทําทานแล้วเราจะรู้สึกว่าการรักษาศีลมันง่าย mm hmm. มันไม่ยาก mm hmm. แต่คนที่ไม่ทําบุญทําทานชอบทํำลายเพื่อเอาประโยชน์ใส่ตนเองหาความสุขให้กับตนเองนี่จะไม่คํานึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ ที่เกิดจากการกระทาของตนเอง <Yeah. S 1> นึกอยากจะได้อะไรก็หามาขโมยได้ก็ขโมยไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นได้ก็ไป <Yeah. S 1> โกหกหลอกลวงได้ก็โกหก <Yeah. S 1> นี่เป็นนิสัยของคนที่ไม่ชอบทำบุญทาทานคนที่เห็นแก่ตัวพูดง่ายๆเห็นแต่ประโยชน์สุขของตนเองไม่คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่น <Yeah. S 1> ก็จะขาดความเมตตา yeah. กลายเป็นคนโหดร้ายทารุณทั้งๆที่ก็เป็นจิตใจเหมือนกันเป็นจิตใจที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นคิดว่าการหาความสุขสัยตนนี้เป็นวิถีเป็นการกระทำที่ถูกต้องทุกคนต้องมีความสุขต้องหาความสุขใสยตนคนอื่นจะทุกข์ยากเดือดร้อนจากการกระทาของตนก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นความคิดแบบสัตว์เดรัจฉานนี่เอง สัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องหาความสุขใส่ตัวเขาเองเขาก็ต้องหาอาหารกินเขาก็ต้องกินสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเขาเขาก็คนคิดแบบนี้ก็เป็นใจก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่มีศีลแน่นอนจะเอาประโยชน์ใส่ตนหาความสุขให้กับตนก็จะไม่คํานึงถึงความเสียหายเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ สัตว์มันกินใช่ไหมมันเห็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันกัดได้มันก็กัดกินได้มันก็กินเพราะมันหิวมันต้องการดับความทุกข์ต้องการทำตัวให้มันมีความสุขขึ้นมาเนี่ยทาไมการทำทานจึงสำคัญเพราะจะได้ทำให้เกิดมีความเมตตาขึ้นมาป้องกันไม่ให้เรากลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกันถ้าตราบใดมีการให้มีการช่วยเหลือมีการแบ่งปันกัน เราก็ยังเป็นมนุษย์กันอยู่แต่ถ้ามีการแข่งแย่งชิงดีมีกัดมีมีกัดกันกินกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาซึ่งในบางบางสังคมบางประเทศนี้เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีาศาสนาสอนให้ทําบุญทําทานเขาก็คิดแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตนกันทุกคนตัวใครตัวมันนันก็เลยกลายเป็นสังคม แบบไม่มีความเมตตาต่อกัน <Yeah. S 2> ถึงแม้จะเจริญนุ่งเรืองทางด้านวัตถุก็ต่างแต่ใจมันไม่เจริญ <Yeah. S 2> ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ <Yeah. S 2> ลองทำตามความโลภแล้วต่อให้มีมากเท่าไหร่กินไม่หมดจานนี้กินไม่หมดก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. Yeah. S 2> เพราะนี้คือธรรมชาติของความอยากของความโลภ <Yeah. S 2> มันไม่มีฝั่งไม่มีฝามันไม่มีขอบเหมือนกับทะเล ทะเลมหาสมุทรนี้ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็ยังมีฝั่งมีขอบแต่ความอยากนี้ได้เท่าไหร่ไม่มีวันพอได้สิบก็อยากจะได้ร้อยได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมืนได้แสนได้ล้านได้สิบล้านร้อยล้านเห็นไหบางคนมีถึงพันล้านหมื่นล้านพอไหมก็ยังไม่พอแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหน ถ้ามีความอยากแล้วมันก็เหมือนขอทานดีๆขอทานมันก็อยากเหมือนกันใจของขอทานกับใจของคนมีเหมื่นน้านถ้ายังมีความอยากความต้องการอยู่มันก็ไม่ต่างกันมันก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกข์ที่เกิดจากความอยากเกิดจากความไม่พอแต่ถ้ามีการให้แล้วมันจะช่วยเบรก ค, ความอยากได้เวลาให้แต่ละครั้งมันจะทาให้ความอยากมันลดเล้น้อยลงไป แล้วจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขมีความอิ่มใจเกิดขึ้นมาได้ yeah. Yeah. นี่คือประโยชน์ของการทำทาน <Yeah. S 2> เป็นทำพื้นฐานที่เราไม่ควรมองข้ามกัน yeah. Yeah. บางคนนี้ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาทำขั้นสูงแล้วก็ปฏิบัติกันแต่ทานไม่ค่อยทำ <Yeah. S 2> มีความตนหนีขี้เหนียว <Yeah. S 2> อันนี้รับประกันหน้าไปไม่ถึงไหนหรอก yeah. Yeah. เพราะว่ามันยังหวงยังหวงสมบัติเข้าของเงินทองอยู่มันก็ยังจะเป็นเหมือนเบือที่ยังทอดสมอเรืออยู่ถึงแม้จะติดเครื่องเท่าไหร่มันเร่งเครื่องเท่าไหร่มันก็ไปไม่ได้เพราะสมอมันจะคอยลังเรือไว้ไม่ให้ไปถึงแม้จะไปปฏิบัติสมาธิเข้าคอร์สอะไรต่างๆวิปัสสนงวิปัสนา แต่ถ้าใจยังตอนอีกที่เหนียวอยู่ยังโลภยังห่วงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะยังต้องกลับมาห่วงมาคอยดูแลทรัพย์สมบัติของตนอยู่นั่นนะเะฉะนั้นเราต้องคิดว่าการให้ทานนี้เป็นเหมือนการถอนสมอเรือใจเรานี้เป็นเหมือนเรือที่จะต้องไปสู่พระนิพพานมันจะไปสู่พระนิพพานได้ก็ต้องถอนสมอเรือ คือการยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีได้มีไว้เพื่อใช้เพื่ออยู่ได้อย่างในหลวงร .9 ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้มีพอเพียงต่อการกินการอยู่ไม่ให้ทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปปฏิบัติทาไปทาความดีกันเพื่อที่จะได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลาดับ แต่ถ้าเรามาหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันก็จะติดอยู่กับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเดินอยู่กับการรักษาทรัพย์สมบัติเงินทองแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นเหมือนเศรษฐีในพระไตรปิฎกมีนิทานมีเศรษฐีก็ลักนักเงินทองชอบเงินทองหาแต่เงินหาแต่ทองแล้วก็หวงสมบัติแม้แต่ลูกก็ไม่ให้เก็บไว้หมด แล้วก็ไปซ่อนไว้ไปฝังดินไว้ไม่บอกลูกๆว่าไปฝังสมบัติไว้ที่ไหนแล้วพอเวลาตายไปก็ความรักสมบัติก็พาให้กลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของตนน่จะได้อยู่ใกล้สมบัติเนี่ย <S S> พอดีพระพุทธเจ้าเดินผ่านมา <S S S เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นจิตเห็นวิญญาณของหมาตัวนี้บอกลูกหมาตัวนี้บอกลูกๆของเศรษฐีว่า ไอ้ลูกหมาตอนนี้เป็นพ่อของพวกเธอนะคนรักเขารักสมบัติของเขามากเขาอยากจะอยู่ใกล้สมบัติเขาก็เลยกลับมาเกิดเป็นลูกหมาเนี่ยพอดีแม่หมามันตั้งท้องอยู่พอดีก็เลยมาได้ได้ลูกหมามาเกิดเป็นลูกหมาเลี้ยงมันให้ดีอย่าให้มันหีออกจากบ้านไปนะรักมันดูแลมันเอ็นดูมันเดี๋ยวมันจะพาไปกุตสมบัติที่พ่อเราฝังไว้ให้ แล้วพอพอมันโตขึ้นมามันก็พาไปขุดจริงๆพ่าเศรษฐีเป็นหมาอยัางอยากจะไปดูว่าสมบัติยังอยู่หรือเปล่าก็ไปขุดดูโอ้ยังอยู่เว้ยนี่แหละคือการหวงการการตนันีการมีความผูกพันกับสิ่งของต่างๆมันจะทำานึงให้ดวงวิญญาณนี้กลับมาอยู่ใกล้กับทรัพย์สสิ่งที่ตนเองติดพันอยู่ แต่ไม่ได้ไปรับผลบุญที่ได้ทําไว้อาจจะต้องกลับมาสักพักหนึ่งอีกรอบหนึ่งก่อนพอรู้ว่าไม่กลับมาเกิดก็ไม่มีวันที่จะได้สมบัตินั้นแล้วก็อาจจะพอตายไปก็อาจจะไม่กลับมาแล้วไปรับผลบุญผลกรรมของตนเองต่อไปนะงั้นอย่าไปหวงสมบัติมากเกินไปสมบัติมีไว้รับใช้เราเข้าของเงินทองมีรับใช้เรา มารับใช้ให้เรามาสร้างธรรมกันไม่ใช่ให้เรามาสร้างกิเลสกันถ้าเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปเล่นนี่เอาไปซื้อของฟุม่มสวยนี่ว่าเป็นการเอาไปรับใช้กิเลสอย่าเอาไปใช้รับใช้กิเลสเพราะกิเลสมันจะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างที่เรามาเกิดกันนี้ก็เพราะกิเลสเป็นตัวพามากิเลสสามตัวที่เรียกว่าตัณหากามาตัณหา ภาวะตันหาวิภาวะตันหาเป็นตัวที่คอยดึงจิตใจของพวกเราให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั้นมีเงินทองอย่าเอาไปใช้กับกิเลสอย่าไปรับใช้กิเลสให้เอาไปรับใช้ธรรมให้ไปสร้างธรรมขึ้นมาด้วยการทําบุญทําทานทําสาธารณประโยชน์ต่างๆใครทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันไปที่ไหนขาดแคลนอะไร ถ้าอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ก็ทำไปเพราะเงินทองเหล่านี้ตายไปเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะแล้วก็กลายเป็นของคนอื่นไปคนอื่นแสนจะสบายอยู่เฉยๆก็ลาบหล่นออกมาส้มหล่นมามเพียงแต่นั่งเวะรอเวลาให้มันตายเท่านี้รอไอล้ลูกๆมันก็นั่งแช่งพ่อแม่มันเมือ่อไ <laughs> <laughs> หร่จะตายสทัทีโอ้อ <laughs> จะได้มีทรัพย์สมบัติใช้ต่อไปอ นังต้องดัดนิดสัยให้ลูกพวกนี้เอาเงินนี้ไปทําบุญให้หมดเลยดูซิว่ามันจะทำไงดูซิว่ามันัจะรักเราหรือเปล่าชอบเราหรือเปล่าอยู่อันนี้ก็มีนิทานอีกเรื่องหนึ่งของตายายซ่อนสมบัติไว้ในตู้เก็บตู้ไว้ในใต้เตียงนะบอกว่าเนี่ฉันซ่อนสมบัติของฉันไว้ในใต้ตู้ใส่กุญแจอย่างดีเลยลูกๆพอรู้ว่ายังมีสมบัติอยู่มันก็เลย ไม่ทอดทิง้งคอยคอยดูแลพ่อแม่อย่างดีพอเวลาพ่อแม่ตายมันก็รีบมาเปิดดูตู้ที่พ่อแม่ซ่อนสมบัติไว้พ่อแม่ซ่อนก้อนหินไว้อันนี้วิถีดับนิสัย้ลูกๆที่มันโลภอยากจะได้เงินทองพ่อแม่ความจริงเงินทองของพ่อแม่นี้ไม่ใช่เป็นเงินของลูกนะลูกไม่ควรที่จะไปโลภอยากได้นะ ควรจะปล่อยให้เป็นความตัดสินใจของพ่อแม่ว่าพ่อแม่อยากจะให้ใครก็ให้ได้ให้ลูกก็ได้เอาไปทำบุญก็ได้เนี่ยลูกบางคนเนี่ยเวลาพ่อแม่ไปทำบุญเนี่ยโอ้ยเดือดร้อนขึ้นมาใหญ่เลยเพราะรู้ว่าเงินน้อยลงมาสิมรดกน้อยลงแทนที่จะนุโมทนาบุญนั้นอนุโมทนาบุญไม่ออกแทนที่จะส่งพ่อแม่ให้ไปสวรรค์ให้พ่อแม่ไปสุขไปสบาย ไม่ไปเป็นขอทานไม่ไปเป็นเปรตเป็นผีกับหวงเงินทองของพ่อแม่บางทีก็พยายามฝืนพยายามค้านพยายามขัดขวางพ่าแม่บอกให้พาไปบางทีก็อ้างว่าไม่ว่างมั่งอย่างงู้นอย่างนี้มัง่งเนี่ยคือพวกลูกลูกที่หวังแต่เอาเงินทองของพ่อแม่อันนี้ก็เราอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นความโลภเป็นความ ตนันตี่อไปเรามีทรัพย์สมบัติเราก็จะหวงเราก็จะตนันตีจะโลรคเราก็จะติดอยู่กับทรัพย์สมบัตินี่ไปไม่ได้ไปเกิดที่ดีจะเป็นเหมือนเศรษฐีที่กลับมาเกิดเป็นลูกหมาแต่ถ้าทําบุญแล้วทําแบบพระเวสสันดรเนี่ยตายไปก็ได้ไปเกิดบุญสวรรค์แล้วจากสวรรค์ลงมาก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ มีทรัพย์สมบัติของเจ้าชายรออยู่มีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบริษัทบริวารคอยรับใช้อยู่ห้อมล้อมมีเครื่องใช้ไม้สอยที่ละเอียดที่ที่สวยงามอันนี้เป็นันนี้ส์ของทานที่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ดีกว่ามาหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตายไปก็ อาจจะกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นเปรตไปเป็นขอทานมาคอยเข้าฝันของนั่นคนนี้ขอข้าวขออะไรเพราะว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่เอยทําบุญทําทานเลยบุญที่เราทํานี่แหละเป็นเหมือนทรัพย์ที่เราติดตัวไปได้เหมือนกับเงินต่างประเทศเนี่ยเวลาเราจะเอาประเทศไทยไปแล้วเอาเงินไทยไปหรือเปล่าเนาะไม่เอาไปเพราะใช้ยากดีไม่ดีใช้ไม่ได้ เราก็แลกเงินไทยไปเป็นเงินนาชาตินานาชาติเงินสากลเงินเงินชนิดไหนใช้ได้ทุกประเทศก็เอาเงินนั่นเช่เงินดอนนี่ไปประเทศไหนก็ใช้ได้หมดเวลาเราจะไปต่างประเทศเราถึงต้องแลกเงินกันเราไม่เอาเงินไทยไปขณนใดเวลาเราออกจากโลกนี้ไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่จะไปต่อ แล้วเราเอาบุญที่เราทำติดตัวไปได้บุญนี่แหละเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในที่จะไปซื้อโรงแรมซื้ออาหารตามร้านอาหารหรูหราซื้อเสื้อผ้าสวยงามตามสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆเอาติดตัวไปเราจะไปเป็นเศรษฐีบุญไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆ ถ้าไม่มีบุญติดตัวไปก็ไปเป็นขอทานเรียก็ไปเป็นเปรตเปรตนี่แหละคือดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญติดตัวไปดวงวิญญาณที่ตระหนี่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองโลภอยากจะได้เงินทองของคนอื่นก็มักจะรักเล็กขโมยน้อยโกหกหลอกลวงเพื่อจะให้ได้เงินมาเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นแัดนี้ตายไปกลายเป็นขอทานเป็นเปรต เป็นขอทางทางจิตวิญญาณไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นเศรษฐีเหตนั้นทำตามพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระเวชสันดร น, นี้ก็เป็นภพชาติของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งตอนเป็นพระเวชสันดรท่านชอบทำบุญทำทานท ำ, ทำแล้วมีความสุขเห็นคนอื่นก็มีความสุขแล้วตัวเองมีความสุขใครอยากจะได้อะไรขออะไรให้ให้ใหได้ให้พอตายไปท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ แล้วพอลงจากสวรรค์มาท่านก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนะวันนี้ก็พูดได้แต่เรื่องเดียวคือเรื่องทานพูดไปมันก็มีเรื่องอะไรพูดไปได้เยอะแยะวันหลังอาจจะมาพูดเรื่องศสีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต่อไปสำนะหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาเลกวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทิน ah e ังเปตานังอุปการปติอิช an ิต e ังปะทิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนาวัสโยยถาเมณิโชติวราสโยยถาสัพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสานิจจังวุฒาปจายโน จตารโหธมาวานติอายุวันโสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเจนถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ผู้ติดตามทางบ้านค่ะพระอาจารย์ Facebook พระอาจารย์สุชาติ Facebook, พาาิชาโตสามร้อยแปดสิหกพอจอสุชาติพิชาโตสี่สิบเจ็ดยอดรวม f a c e b o o สี่ร้อยสา b สิบสามยทสองรอยสสิบเก้าวิออนไลน์สิบสามซูมสิบผู้รับฟังหน้ากุิแปดสิบสี่รวมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะ็รับทราบไว้เท่านั้นเองว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่ ส่วนจะมากจะน้อยนี่ก็ไม่สำคัญเพราะเราก็ไม่ได้มากน้อยตามตามจำนวนที่มากหรือน้อยเราก็เท่าเดิมคือศูนย์มาเดี๋ยวมาตัวเปล่ า, ลาเดี๋ยวก็ไปตัวเปล่ า, ลาเพราะเราสูนย์ง้นทุกคนรู้ป่าไม่มีใครได้กำไรจากการมาเกิดในภพนี้หรอกนอกจากเอาบุญเท่านถ้าเอาบุญก็ได้กำไรแต่ถ้าจะมาหวังเอา หาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วคิดว่จะอาติดตัวไปได้มันเอาไปไม่ได้ได้มากี่ล้านก็ต้องเสียไปเท่านั้นะได้มาร้อยล้านก็ต้องเสียร้อยล้านได้มาพันล้านก็ต้องเสียพันล้านเราไม่มีใครอะไรแตเอาติดตัวไปได้เท่าเดิมมาตัวเปล่าๆแล้วก็ไปตัวเปล mm ่าๆหมายถึงสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ะแต่สมบัติภายในนี่เอาไปได้ทรัพย์ภายในเอาไปได้คือบุญ ก็มีตั้งแต่ระดับทานศีลสมาธิปัญญานี่เหล่านี้เป็นทรัพย์ภายในทั้งนั้นเอาละนะวันนี้คำถามถ้ามีก็เชิญอ่านได้เลยคำถามจากคุณปาริชาติคะ่ะหลวงพ่อเจ้าคะทำไมพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปเทศโปรดพระอาจารย์ของท่านทั้งสององค์บนสวรรค์เหมือนกับที่ท่านไปเทศพระมาณดาเจ้าคะเพราะท่านอยู่สวรรค์ชั้นพรหมไ สวรรค์ชั้นพรหมนี่ไม่ติดต่อเป็นคนที่ปิดมือถือถ้าปิดมือถือก็โทรติดต่อกันไม่ได้แต่ถ้าชั้นเทพนี้ก็ยังเปิดมือถืออยู่เพราะยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสทิบอยู่แต่ชั้นพรหมนี้เขาเสพฌานฌานนี้ไม่ต้องเปิดมือถือไม่ต้องติดต่อกับใครก็เลยไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมได้ติดต่อได้แต่พวกที่อยู่ในสวรรค์ชั้นเทพ คำถามจากคุณอาร์โเลอร์ค่ะถ้าสวดมนต์ทุกวันระหว่างสวดวันละสองสชั่วโมงกับสวดทั้งวันทั้งคืนอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันเจ้าคะก็ทํ า, าทำมากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยเหมือนกินข้าวกินมากก็ได้มากกินน้อยก็อิ่มน้อยเะฉั้นถ้าสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนได้สวดไปเลยไม่มีความเสียหายบุญนี่ไม่ไม่มีการแสลงยิ่งมากยิ่งดี อาหารนี้มันยังสลาท้องได้ถ้ากินมากเกินไปมันก็ทำให้มีปัญหาได้แต่บุญนี้ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจแต่ก็ควรที่จะเพิ่มระดับของบุญเปลี่ยนชนิดของบุญด้วยอย่าเอาแต่สวดมนอย่างเดียวสวดมนล้วก็ต้องมานั่งสมาธิต่อนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออจะได้บุญที่ดีกว่าเพิ่มขึ้นมา ถ้าเอาแต่สวดอย่างเดียวก็จะได้บุญระดับส่วนมนุ์เท่านั้นถ้าอยากจะได้สูงกว่านั้นมากกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนสวดก่อนพอสวดแล้วรู้สึกอยากจะหยุดสวดก็หยุดสวดได้แล้วก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกต่อไปคำถามจากคุณชนิดาค่ะเคยฟังมาสองอย่างเจ้าค่ะว่าตายแล้วก็ไปเกิดเลย หรือตายแล้วก็ต้องไปใช้กรรมก่อนเป็นยังไงถูกต้องเจ้าคะก็เหมือนกันใช้กรรมก็ไปเกิดเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรล่ะเนี่ยพอตายไปปั๊บนี่ก็ไปเป็นเทวดาเลยก็พวกทําบุญทําทานรักษาศีลหน้านี้ก็ไปเป็นเทวดาเลยส่วนพวกทำบาปก็ไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างหรือไปเกิดถ้าไปได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของสัตว์เิราชาเนี่ยเพราะ พอตายปั๊บเนี่ยพอออกจากร่างนี้ไปมันก็ไปเกิดทันทีแต่เป็นเกิดในรูปแบบของดวงวิญญาณก่อนจนกว่าบุญหรือบาปที่ที่พาให้ไปเกิดในรูปแบบของดวงวิญญาณมันหมดกำลังมันถึงจะพาให้เรามาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เห็นตายไปแล้วนี่อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวลาหลายร้อยปีก็ได้หลายพันปีก็ได้ ว่อาจารย์มูแต่ไปใช้บาปใช้กรรมอยู่ที่ได้ทำไว้ก่อนคำถามจากคุณพงประพัฒนค่ะพระอาจารย์ครับผมไปเจอคลิปวิดีโอหนึ่งหลวงตามหาบัวพูดว่าท่านพระอาจารย์สุชาติดูลักษณะท่าทางมีหลักใจมหมายเพราะว่าอย่างไรครับ ก็มีหลักเลยถ้าคนตกน้ำถ้ามันมีหลักเกาะมันก็ปลอดภัยใช่ไหมไม่งั้นกระแสน้ามันก็พัดให้ไหลจบน้าได้เวลาคนอยู่ในน้ำก็ต้องรีบหาหลักเกาะหาเสาเกาะหากิ่งไม้หาอะไรเกาะยึดไว้จะได้ไม่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปใจของคนไม่มีหลักก็เป็นเหมือนใจของคนที่ ถูกกระแสของความคิดของกิเลสตันหาพาไปอว่ายังไงอยากจะถามอะไรเหรอคำถามฝากถามค่ะเวลานั่งสมาธิหลังหนูจะหย่อนไปข้างหลังเรื่อยๆวิธีที่ถูกเราควรทําอย่างไรเจ้าคะเราสามารถปรับให้หลังตั้งตรงเรื่อยๆได้ไหมเจ้าคะไม่จําเป็นหรอกหลังไม่สําคัญสําคัญที่สติมากกว่ า, างั้นเวลานั่งสมาธิ ตอ้เริ่มต้นแล้วก็ตั้งให้มันดีตั้งให้มันตรงแล้วก็ไม่ไม่เก่งไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่คือไม่ไปเก่งมากจนเกินไปให้มันนั่งหลังตรงแล้วพอเราเริ่มดูลมหายใจหรือพุทโธแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของร่างกายมันจะเอ็นบ้างมันจะงอบ้างเรื่องของมันถ้าเรามัวแต่ไปยุ่งกับร่างกายเราไม่ได้ภาวนา เรามาโมแต่มานั่งปรับท่าแลมวกับทาโยคะอย่างเงี้ยเวลาเราภาวนานั่ ง, ง, <S 2> <S 2> <S 2> งสมาธิเราปล่อยวางร่างกายอย่าไปสนใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรือมีสติอยู่กับพุโทโธหรือกับการสวดนตงไปใจจะได้สงบถ้ามาโมแต่กังวลกับท่าพลอยมาปรับอยู่เนี่ยมันก็ไม่สงบมันเข้าสู่ความสงบไม่ได้ แล้วบางครั้งถ้าศีรษะโค้งโยกซ้ายโยกขวาไปมาเราต้องฝืนฝืนให้หยุดโยกเยกไหมเจ้าคะถ้ามันโยกนี่ส่วนใหญ่มันเกิดจากไม่มีสติเนี่ยเหมือนคนจะหลับนี่ก็จับประงกอย่างนี้เห็นถ้ามีสติมันจะไม่ไม่งอเหมือนตอนนี้เรานั่งคุยกันนี่มีสติไหมมีใช่ไหมแล้วมันโยกไหมไม่โยกเวลามีสติมันจะไม่โยกถ้ามีพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันจะไม่โยกถ้าดูลมมันจะไม่โยก ถ้ามันเคลิ้มพุทโธหายไปนมหายไปแล้วเี๋ยวก็งั้น่างนี้งคนจะหลับหรือหลับแล้วก็ได้บาทีคําถามจากคุณแอตโวเลอร์ค่ะเราเคยเกิดเป็นเดรัจฉานมากันหมดทุกดวงจิตแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็ขนาดพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าก็ยังเคยเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานงั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทํทบาบุญทําบาปกัน เพราะเราไม่รู้บุญรู้บาปกันไม่มีใครสอนขนาดมีคนสอนก็ยังบางทีห้ามใจไม่ให้ทำบาปยังไม่ได้เลยงั้นใครที่จะบอกว่าตนเองไม่เคยเกิดเป็นเดรัจฉานนี่ก็ ค, คิดว่าเป็นคนโง่คนไม่รู้เรื่องรู้หลาความจริงเราผ่านภบชาติมาหลายชนิดละเปรตก็เคยเป็นอสู ร, รกายก็เคยเป็นนรกก็เคยตกเดรัจฉานก็เคยเป็นมนุษย์ก็เคยเป็น ใวิาก็อาจจะเคยเป็นที่มันก็เวลามาเกิดมันก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับเหตุการณ์ถ้าอยู่กับเหตุการณ์ที่สนับสนุนให้ทําบุญก็ได้ทําบุญถ้าอยู่กับเหตุการณ์ที่ส่งเสริมให้ทำบาปมันก็ทําบาปแล้วมองมันทําแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดถ้าทําบุญมันก็จะได้ผลบุญถ้ามันทําบาปมันได้ผลบาปมันก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ชนิด ต, ต่างๆต่อไป คำถามจากท่านเดิมค่ะคุณอาคูลเลอถ้าอยากเป็นมนุษย์เทวะเจ้าค่ะจะต้องทําอย่างไรเจ้าคะจะร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาใช่ไหมประหมายก็การเป็นเทวดาก็ต้องรักษาศี่ห้าให้สมบูรณ์แล้วก็ทําบุญทําทานเป็นปกติใส่าบาตรทุกวันรักษาศี่ห้าทุกวันนี้ก็เป็นเทวดาได้แล้ว<ม>ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้ว ถ้าอยากให้ใจเป็นพรมก็นั่งสมาธิเท่าฌานไปใจก็จะเป็นพรมถ้าอยากให้เป็นพระโสดาบันก็พิจารณาใยรักอนิจจังทุกขังอนัตตาดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายอริยสัจ ส, สีปล่อยวางร่างกายได้ก็ไปเป็นพระใจก็เป็นโสดาบันแต่ร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์คำถามจากคุณพานุวงศ์ค่ะผมจำได้สมัยเรียน ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นได้เจอกับพยามาณผมสงสัยว่าพยามาณที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าเจอนั้นคือกิเลสต่างๆที่อยู่ในใจของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับนั่นแหละคือพยามาณตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันความอยากต่างๆมันจะมาหลอกมาลอ่อให้ไปทาตามความโลภความอยากพอถ้าทำตามก็แสดงว่ายังไม่ตรัสรู้นั่นเอง ต้องรู้ทันว่าความโลภความอยากต่างๆเป็นทุกข์นาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต้องฝืนมันต้องพิจารณาด้วยปัญญาพอเห็นว่ามันเป็นเหตุที่พาเราไปเวียนว่ายตายเกิดพาให้เราต้องมาทุกข์แบบไม่รู้จกักจบจา ก, จากที่เราก็ไม่ทําตามมันพยาบาลต่อให้เอาเอาสมบัติมากองไว้ข้างหน้าบอกเอาไหมให้ไปเป็นนายกเนี่ยถ้าคนยังโลภอยู่สึกดีกว่าไปเป็นนายกดีกว่า เห็นไหมเนี่ยมีคนเป็นผู้จัดการนานาคารเดีย๋ยวนี้เขาเอามารอให้ไปเป็นลมวอคังลาออกเลยไหมนะพยามารพยามารมาลรอแล้วอยู่ดีๆไม่ชอบดีเดี๋ยวไปโดนข้อด่าเนี่ยเดี๋ยวเสดสเดชขึ้นลอไหนก็โดนเขาด่าร่่นทั่วประเทศตอ น, นนี้ไม่มีใครรู้จั ก, จกไม่มีใครเขาด่าไม่มีใครเขาอะไรไม่ชอบชอบให้เขาด่า อากดังดังแล้วก็ต้องถูกด่าเป็นธรรมดาใช่ไหมดูนายกตู่มันโดนด่าทุกวันไหมคนไม่ฉลาดเนี่ยไม่เห็นทุกข์ที่ตามมากับลาบกับยศใช่ไมโอ้ยเห็นาดาวยศอย่างเดียวโอ้ได้ตาแหน่งได้เกียรติมีหน้ามีตาแต่ไม่ได้เห็นว่าข้าราารนินทามันก็จะมานตามมาด้วยแต่ก็ต้องถูกเขาด่าเช้าดา่าเย็นอันนี้คือพญามาร ถ้าคนมีปัญญาเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะสวดมนต์แค่บทสรนเริญพระรัตนาตายอย่างเดียวแล้วนั่งสมาธิเลยถือว่าสวดมนต์น้อยไปหรือเปล่าเจ้าคะแล้วแต่คนบางคนต้องสวดมากใจถึงจะจใจถึงจะเบาไม่ฟุ้งซ่านก่อนถึงจะมานั่งสมาธิได้บางคนใจไม่ฟุง้งซ่านไม่ต้องสวดเลยก็ได้ นั่งหลับตาก็ดูลมไปเลยพุโทโธไปเลยก็ได้การสวดมนต์นี้เป็นการช่วยมาแบ่งเบาความฟุ้งซ่านให้มันน้อยลงถ้าไม่มีความฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องสวดถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไปเลยจากผู้ไม่ประสงค์องนามเจ้าค่ะการเป็นเจาภาพทอดกถินดีอย่างไรคะถ้าเราได้มีโอกาสทำเราจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะก็เหมือนการทาบุญทาทานอย่างอื่นใส่บาน ถวายผ้ากีวรสร้างโบสถ์สร้างเจดีถ้าทาอะไรมันก็เป็นฐานกระถิ่นก็เป็นทานอย่างหนึ่งให้เป็นเจ้าภาพก็เป็นเหมือนกับก็เป็นเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นคนเจ้ามือใหญ่เป็นก็กระถิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นบุญที่ต้องมีกระเป๋าใหญ่หน่อยเพราะว่าปีหนึ่งทําสักครั้งหนึ่งแล้วเป็นรายได้ที่ทางวัดเ้ารออยู่เอ เราจะได้เอาเงินก้อนนี้ไปบุรณะนะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์บางทีก็ชำรุดเจดียด์ชำรุดอะไรทํานองนี้เงินที่ได้รับบริจากจากร า, รายย่อยมันอาจจะไม่พอจากได้จากรายย่อยก็อาจาายยออาจะไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าจําหนี้ค่านี่สงต่างๆแต่งานกระถิ่นนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่จะได้ถวายอะไรเป็นก้อน ก็เลยต้องอาศัยคนที่มีกําลังทรัพย์เป็นหัวหน้าแล้วคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยจะได้เกาะเกาะชายชายผ้าเหลืองไปในทํามูลนุ่มด้วยคําถามจากคุณชนิดาค่ะพอะเริ่มต้นสวดมนต์จะหาวทุกครั้งไม่ว่าจะสวดตอนเช้าหรือตอนค่ำจะต้องแก้ไขยอย่างไรต่อ<า> <ๆ S 2> คับหาเนี่หมาวันนี้เวลาตีละครก็มันมันร้องโอยมันหอนขึ้นมาทันทีเลย ก็เป็นธรรมชาติของใจของกิเลสเนี่ยเวลาพอจะอะนั่งสมาธินี่หลับเลยแต่เวลาดูดูหนังดูละคอนี่โอ๊ยตื่นขึ้นมาเลยเพราะมันมันไม่ชอบอะไหนที่มันไม่ชอบมันก็นอนดีกว่าแต่ไหนที่มันชอบมันก็ตื่นขึ้นมาทันทีคําถามจากคุณแคทค่ะ ถ้าแม่อยากให้เราให้อภัยพี่สาวเราเราให้อภัยด้วยกันไม่ยุ่งเกี่ยวพระยุ่งเกี่ยวทีไรก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องเงินแต่แม่ก็ยังไม่พอใจแม่ถือว่ายังเป็นการไม่ให้อภัยเราควรพูดอย่างไรให้ท่านเข้าใจสบายใจดีคะก็บอกว่าไม่ไปด่านน้องก็ถือว่าให้อภัยแล้วไม่ไปทุบตีน้องก็ไม่ให้อภัยแล้วแต่ถ้าจะให้เอาเงินไปให้น้องนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องให้อภัยแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องทําบุญทําทานแล้ว ถามแม่แม่อยากใช้ทาบุญทำทานกับน้องหรื อ, อถ้าถ้าอยากจะตามใจแม่ก็เอาเงินเอาทองไปแบ่งให้น้องใช้บ้างก็ได้อย่างนี้ก็จะได้ทำให้แม่สบายใจว่าเรายังรักน้องอยู่เวลาแม่ตายจะได้ตายนอนตาตาหลับจะได้รู้ว่าน้องมีคนคอยช่วยดูแลอยู่ก็คิดว่าทาให้แม่ก็แล้วกัน อ, อย่าไปคิดว่าทำให้ให้น้องหรือทำให้ใครทำให้แม่ให้แม่สบายใจ คำถามจากคุณวกค่ะเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่มารบ ก, กวนจิตใจทำให้จิตไม่สงบนั้นจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับก็ใช้สติหยุดมันพุโทโธไปต้องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปพอเราไม่ไปคิดถึงมันเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราไม่มีพุโทโธไม่มีการสวดมันก็จะนั่งคิดถึงเรื่องอดีตเก่าๆยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นยิ่งเก่าก็ยิ่งคันแบบนั้น อย่าหยุดเกาเลยหยุดเกาก็เอามือไปทำอย่างอื่นเวลามันเกามือมันคันก็เอามือไปทำอย่างอื่นเอาไปทำงานพอมือมันไปทำงานอย่างอื่นมันก็จะมาเกาไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายคันเองใจก็เหมือนกันพอมันคิดถึงก็ดีคิดถึงเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจก็สวดมนต์ไปพุโทโธไปเดี๋ยวไม่นานห้านาทีมันก็ลืมนะมันก็สบายใจขึ้นมาลว คำถามจากคุณสุภชัยค่ะเวลาเรายกสมบัติให้ลูกๆทําไมไม่ได้บุญจากการให้ทานเหมือนกับนําไปให้ผู้อื่นครับได้ก็ได้บุญเหมือนกันบอกให้ใครก็ได้เพียงแต่ว่าบางทีมันให้มากไปมันไม่เกิดประโยชน์เราต้องคิดถึงประโยชน์ของผู้รับด้วยเราการให้ถ้าให้เราเห็นเกิดประโยชน์มากมันจะทําให้เรามีความสุขมากกว่า ให้แล้วบางทีเห็นว่ามันเอาไปเผาไปพลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นเนี่ยให้แล้วมันก็รู้สึกไม่มีความสุขใจดีไม่ดีเป็นการให้โทษกับมันเสียได้ซ้ําไปถ้าให้แล้วมันเอาไปกินเหล้ามเมายาไปเล่นการพนันไปติดการพนันไปติดเที่ยวอย่างนี้ยให้แบบนี้มันทางที่จะเป็นคุณประโยชน์มันกลับไปเป็นโทษกับผู้รับเสียอีกคำถามจากคุณวิจัยค่ะถ้าเราถือศีน้ำตจะดูสารคาดีได้ไหมครับเพราะสารคาดี อ่าไม่ได้เป็นการร้องลําแล้วก็ไม่ได้เป็นการละเล่นถ้าจะถือสินแปล ก, ก็อย่าไปดูอะไรเลยดีกว่าหมดตัดมันไปให้หมดเลยปัญห า, านี้ต้องถ้ายังต้องมาคอยดูอยู่ก็อย่าเพิ่งไปถือเลยถือสินห้าไปก่อนเอให้พร้อมที่จะไม่ดูอะไรแล้วก็ตัดมันไปเลยทีวีอะไรตัดมันไปให้หมดง่ายกว่างั้นเดี๋ยวว่าถูกหลอกนั่นแหะตอนนี้ก็สารคาดีเดี๋ยวกลายเป็นบันเทิงมันไม่รู้สึกตัวขึ้นมาพอเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้นี่มันติด ขอดอูนิดนะน่อยนะอย่าไปดูมันเลยดีกว่าตัดใจไปเลยถ้ายังตัดใจไม่ได้ก็ถือสินห้าไปก่อนก็ได้คําถามจากคุณภูมิค่ะลงทุนในหัวรัฐบาลจะบาปไหมคะถ้าคิดว่าเป็นการทําบุญก็ได้เพราะเงินที่รัฐบาลได้ก็ไปทําประโยชน์เไปทําทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปก็คิดว่าเป็นการอ ทำบุญแล้วถ้าเป็นโชคก็จะได้เงินรางวัลตอบแทนถ้าอยากจะเอาเงินรางวัลไปทําบุญต่อก็ได้จะได้บุญหลายต่อคําถามจากคุณจาลอดค่ะถือศีลห้าจะได้ไปนิพพานไหมครับ อ, อ๋อศีลอย่างเดียวไปไม่ได้หรอกศีลศีล น, นี้ป้องกันไม่ให้ไปอบายเท่านั้นเองถ้าถือศีลห้าหรือศีลสูงกว่าศีลห้าได้ ตายไปจะไม่ไปเกิดในอบายไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสูรรกายไม่ไปนรกแต่ยังไปนิพพานไม่ได้ไปได้แค่เป็นมนุษย์ตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์ต่อได้คำถามจากชีสมค่ะขอความเมตตาจากพระอาจารย์โปรดเมตตาสงเคราะห์อธิบายความหมายคําว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นคือชื่อดีเลิศซึ่งเป็นคําสอนของพระอาจารย์มั่นจบกค่ะ เพานั่นแนะคาว่าดีบางทีล้วดีแล้วมันมีโทษมันก็ไม่ดีจริงเนะช่นเาคนติดยาเสจติดเขาก็ว่าดีใช่ไหมแต่ดีแล้วมันมีโทษกับตัวเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ดีจริงนะดีแล้วมันต้องไม่มีโทษกับตนเองต้องมีคุณมีประโยชน์กับตนเองเชน่นทาบุญทําทานนี้ทาแล้วใจมีความสุขเรียกว่าเป็นดีดีเลอน ดีที่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีโทษตามมาแต่ถ้าไปดีเพราะนี้มีความสุขจากการเล่นการพนันจากการดื่มโซลาเนี่ยมันมีโทษตามมาดีแบบนี้ไม่ดีแต่คนก็ทํากันเขาก็กินเหล้าดีเขาก็เล่นการพนันดีแต่เขาไม่เห็นผลที่กระทบกับจิตใจของเขาจิตใจของเขาก็เลยติดสุราติดการพนันแล้วดีไม่ดีต่อไปก็อาจจะต้องไปทําบา เล่นการพนันเงินหมดก็อาจจะต้องไปกกนี่ยืนสินไปโกหกหลอกลวงหรือไปลักขโมยเงินทองมาเล่นต่อคำถามจากคุณพีเอมค่ะทำอย่างไรจึงจะอยู่กับความพลัดพรากได้เจ้าคะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์แต่พอเจอเข้าจริงๆก็มึนนึกอะไรไม่ออกเลยเจ้าคะ่ะก็ต้องหัดไปอยู่คนเดียวบ้างอยวอยู่ร่วมกันไปอยู่วัดไปวิเวกไปปฏิบัติธรรม เวลาอยู่คนเดียวมันจะเหงาจะอะไรก็ใช้วิธีปฏิบัติทำช่วยแก้เหงาได้ฝึกสมาธิไปไหว้พระสวดมนต์ ไ, ไปฟังเทศฟังธรรมไปต่อไปเดี๋ยวก็อยู่คนเดียวได้พออยู่คนเดียวได้แล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนเวลามีการพักพักจากกันดีไม่ดีต่อไปอาจจะไม่อยากจะอยู่กับใครที่ด้ซ้ําไปเพราะอยู่แล้วมันยุ่งมันเรื่องมากอยู่คนเดียวไม่มีเรื่องเบามีแต่ความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจ คำถามจากคุณสุรางคณาค่ะถูกคนอิจฉาคอยขัดขวางเวลาเราทำงานจะทำยังไงดีคะก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนฝนเมื่อกี้มันตกเราใบห้างฝนไม่ได้ฝนมันจะตกมันอิจฉาเรามันนั่งสบายมันก็เลยอิจฉามันก็เลยแกล้งเราวก็ทำอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมก็ <S <S ปล่อยมันตกไปเราก็หาที่หาที่หลบของเราไปเขาอิจฉาเราเราก็หลบเขาไปอย่าไปอยู่ใกล้เท้ากันถ้ารู้ว่าเขาอิจฉาเรา ขอให้ป้องกันตัวเราไว้แเราระมัดระวังไว้เดี๋ยวเขากั่นแกล้งเรา่อะไรก็เตรียมรับกับเหตุการณ์ไปแต่เราอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปตอบโต้รับเพราะมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเรื่องเป็นราวเอารู้จากหลบจากหลีกดีกว่าไม่ใช่ไหมครับาเรากลัวเขาเรื่ออะไรเ ร, เราใช้ปัญญาเพื่อที่จะได้รู้จักวิธีอยู่แบบสงบไม่มีเรื่องมีราวกับใครคําถามจากคุณสุวัจนาค่ะ มีคำกล่าวว่าให้ทามาทานร้อยครั้งยังมีอนิสงส์น้อยกว่าการถือศีลห้าเพียงครั้งเดียวจริงหรือเท็จประการใดเจ้าคะก็มันต่างระดับกันไงทำทานร้อยครั้งก็ยังไปเกิดในอบายได้พอาทานนี้ไม่สามารถป้องกันจิตไม่ให้ตกไปในอบายแต่ถ้ารักษาศีลได้จก่จะไม่ไปเกิดในอบายได้อันนี้ก็นิสงส์ต่างกัน ทานนี้ก็เพียงแต่ทําให้เรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีทรัพย์ภายในแถ้าไปเกิดเป็นเป็นสุนัข ก, ก็เป็นสุนัขที่น่ารักคนเราไปเลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกนะนี่คือพวกที่ทาทานแต่ไม่รักษาศีลชอบทาทานแต่ยังโกหกหลอกลวงยังรักเล็กลขโมยน้อยอยู่เหมือนเดราัชาน พอตายไปก็เลยไปเกิดเป็นหมาที่น่ารักเป็นแมวที่น่ารักเี้ยงดูยิ่งกว่าคนบางคนเกิดมาเป็นคนยังอิกช้าหมาเลยรุ้งให้ผมเกิดมาเป็นหมาดีกว่าเนี่ยถ้าอยากจะเาเกิดมาเป็นหมาหน้ารักก็เนี่ยทำบุญททานเยอะๆแต่ไม่ต้องรักษาศีล คำถามจากคุณกอบค่ะกระเป๋าใส่ของหายมาสองครั้งติดติดกันนอกจากจะโทษตัวเองเรื่องความประมาทจะทำยังไงให้ใจไม่ทุกข์เพราะอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวค่ะก็ผูกมันมัดไว้กับเอวเอนนี้เร <c oughs> าเป็นคนไม่มีสติชอบพังชอบเหอะ ก็ผูกกระเป๋าว่าติดไว้กับตัวเองอย่างเรายังเอ า, ากุญแจผูกไว้กับเข็มขัดเราเลยนะี่ <c oughs> พราะเรามักจะเผลอบางเราไม่รู้มัอยู่ทห่ไหนเลยนะผูกมันติดไว้กับเข็มขัดไปไหนก็ไปด้วยกันสอบถามนะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเดี๋ยวจะอ่านคะ่ะพระอาจารย์เราต้องปฏิบัติเป็นข้อๆตามลำดับหรือเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งคืออะ หายใจเข้าถ้าหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวข้อสองหายใจเข้าถ้าหายใจเข้าสั้นให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกข้อ3าหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจสัมพั์ทั่วกายคือเวลาปฏิบัติดูลมหายใจนี้เราดูที่ปลายจมูกดูว่าลมเข้าหรือลมออก ลมสั้นหรือลมยาวรู้ตามความจริงของลมเราไม่ต้องไปตั้งว่าตอนนี้ฉันจะหายใจยาวอันนี้ฉันจะหายใจสั้นไม่ใช่เราเพียงแต่มีหน้าที่อาศัยลมเป็นที่ผูกใจเหมือนกับเป็นหลักใจทําใจไม่มีอะไรเกาะเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีลมเกาะมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ในเวลาเกาะลมก็ดูไปว่าเออมันตอนนี้มันมันเข้าหรือมันออกจะได้รู้ว่าเราดูลมหรือเปล่า ถ้าไม่รู้ว่าเข้าว่าออกก็แสดงว่าไม่ได้ดูมลมนะแสดงว่าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราต้องรู้ทุกเข้า ท, ทุกขณะที่มันเข้าทุกขณะที่มันออกแล้วถ้าจะรู้ละเอียดกันั้นก็รู้ว่ามันสั้นหรือมันยาวมันหยาบหรือมันละเอียดแสดงว่าเรามีการจดจ่ออยู่กับลมมากขึ้นใกล้ชิดกับลมมากขึ้นจนทรู้ว่ามันสั้นหรือมันยาวรู้ว่ามันหยาบหรือมันละเอียด แต่ถ้ารู้แต่เพียงเข้าออกไม่รู้ว่ามันสั้นมันยาวนี้ก็แสดงว่ายังไม่ลึกยังยังรู้ไม่ไม่กระชับอย่างนี้ว่าตอนต้นแค่ดูลมเข้าลมออกไปพออยู่กับลมเข้าลมออกได้ต่อไปก็ดูว่ามันสั้นหรือมันยาวเราจะไม่รู้ว่ามันสั้นมันยาวเราเราต้องนั่งไปเรื่อยๆเพราะจะไปรู้ไงว่าตอนนี้มันสั้นหรือมันยาวมันต้องมีอะไรมาเปรียบเทียมแต่ถ้านั่งไปนานๆเข้าจิตมันสงบมากขึ้นมันจะยาวขึ้นเวลาใหม่ๆจิตไม่ จิตมันยังฟุ้งอยู่มันจะหายใจสั้นแต่พอจิตเริ่มเบาเริ่มสบายลมก็มันก็จะบมันก็จะยาวเบาลงไปตามตามสถานภาพของจิตใจก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเท่นั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับลมไม่ต้องไปตั้งว่าตอนนี้ฉันจะหายใจยาวนะตอนนี้ฉันจะหายใจสั้นตอนนี้ฉันจะหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวไม่ต้องไปบังคับลม ให้ดูลมเท่านั้นให้รู้ว่ててวาลมกําลังเข้าหรือกําลังออกสั้นหรือยาวออนั่งเมื่อกี้มันสั้นเดี๋ยวนี้รู้สึกมันยาวขึ้นให้รู้อย่างนี้นั่งเมื่อกี้รู้สึกว่ามันหยาบเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเบามันละเอียดลงก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนี่คือการดูลมไม่ต้องไปจัดการกับลมไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นให้มันยาวให้มันหยาบหรือมันละเอียดอันนี้เป็นการทํางานของจิตถ้าไปทําอย่างนี้แล้วจิตก็จะไม่ไม่ว่างไม่สงบนิ่งไม่ได้ เราต้องการให้จิตว่างจิตไม่ทำงานให้จิตดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยคำถามจากคุณทิมมี่ค่ะการถือศีลแปดเราสามารถนอนเตียงต่ำได้ไหมเจ้าคะเอาที่นอนออกแล้ว แล้วเอาที่นอนแคมปิ้งบางๆปูบนเตียงแทนอยู่ต่างประเทศพื้นมันเย็นมีช่องลมที่ประตูทําให้นอนแล้วเป็นหวัดครั้งแรกก็ปูผ้าห่มหลายๆชั้นกับพื้นค่ะแต่พื้นมันเย็นประตูห้องมีช่องลมก็เลยสูดอากาศเย็นทั้งคืนเมื่อคืนก็เลยเปลี่ยนเอาที่นอนใหญ่ออกเอาผ้าหม่มกับที่นอนแคมปิ้งมาวางไว้แบบนี้ใช้ได้ไหมเจ้าค่ะคือเป้าหมายของการถือศีลขอ้อนี้ก็คือไม่ให้นอนสบายกเกินไปแต่นอนเพื่อพักผ่อนร่างกาย แล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายถ้านอนแล้วมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องแก้ไขถ้ามันหนาวเกินไปก็ต้องมีอะไรมาห่มมากันความหนาวแต่ไม่ต้องการให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนจะได้ดิ้นสบายไม่ตกเตียงนอนแบบไม่มีสติเหมือนนอนแบบคนเมาเหล้า การนอนแบบเตียงเล็กๆมันจะได้มีสติเดี๋ยวถ้าถ้ากิ่งมากๆเดี๋ยวจะได้ตกขอบเตียงมันจะได้รู้สึกตัวแล้วการนอนบนพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้นอนไม่มากประาร่างกายมันเหนื่อยมันหลับได้เพราั้นพื้นแข็งไม่พื้นฟูกยแต่มันพอตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเป็นผูกหนาๆมันอยากจะนอนต่อมันสบายแต่ถ้าเป็นพื้นแข็งๆมันไม่อยากจะนอนต่อมันก็จะลุกขึ้นมานั้นคือเจตนาลง คือไม่ให้พักผ่อนหลับนอนมากเกินไปพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอแต่ไม่ให้กิเลสมันอาศัยช่องว่างมาหาความสุขจากการหลับนอนจะได้เอาเวลามาภาวนาได้คำถามจากคุณแคทค่ะศีนแตะใช้ครีมนวดผมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ไหมจ๊ะกะแล้วแต่ว่าเราใช้เพื่ออะไรถ้าใช้เพื่อรักษาร่างกายได้อยู่แต่ถ้าใช้เพื่อความสวยงาม เพื่อความสุขความสบายนี่ไม่ควรหมนแล้วเลยหมแล้วครับอาจารย์สินแปดนี้ต้องการให้เราตัดการหาความสุขผ่านทางร่างกายคือพอเราไปติดความสุขทางร่างกายมันจะทำให้นั่งสมาธิยากมันจะเข้าข้างในยากเพราะมันยังติดกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมกูกลส้นก้นเราต้องพยายามตัด สิ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปพึ่งมันให้ความสุขกับเราเพียงแต่คอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้มันปลอดภัยก็พ อ, เ, อเราจะได้ไม่ยึดติดกับร่างกายไม่ยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาพุโทโธพุทโธใจก็จะได้เข้าข้างในได้ใจจะได้ถอนออกจากตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นคือเป้าหมายของการถือศีลแปดเพื่อสนับสนุนการภาวนา เพื่อให้สติมีมีกำลังที่จะดึงจิตเข้าข้างในได้หมดแล้วยังยังมียังไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็คิดว่าใกล้จะหมดเวลาพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ